2. ปัธรมโสตาปันสูตรว่าด้วยพระโสดาบันสูตรที่หนึ่ง572ภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรียอวิริอินทรีส์ 3. สตินทรีย์ 4. ส, สมาทินทรี ห้าปัญญินีภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยาสาวกรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินเซห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นอริยาสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้า ปัทมาสโสตาปนสูตรที่สองจบ 3. ทุติยโสตาปนสูตรว่าด้วยพระโสดาบันสูตรที่สองห7 3ภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัตทินทรี 2. วิริยินเสียาสตินเสีสสมาธินเสีหปัญญินเสีภิษุททั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินเสีห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นอริยสาวกนี้เรากล่าวว่า